สิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้นะมันครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดทางแล้วถ้าเรารู้หลักจำหลักได้แม่นเข้าใจแล้วการภาวนานจะไม่ยากอะไรถ้าไม่รู้หลักลองผิดลองถูกลลก็ล้มลุกลุกลานไปเรื่อยยากยากเพราะว่า เรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ทางสายนี้คนที่จะรู้ได้คือพระพุทธเจ้าเงี้นเราจะมาลองผิดลองถูกเอาเองนะไม่มีทางเลยมันไม่ใช่ภูมมที่เราจะทำได้เองงั้นเราต้องเรียนให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเงี้นจะเอาความคิดเอาความเชื่อของตัวเองนั่นแหละมาบอกว่าเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายเลยนะ อย่างปลายทางของการปฏิบัตินะมันรู้มรรคผลแล้วเป็นยังไงอนะไรเงี้ยบางคนก็มีความคิดมีความเชื่อเอาเองนะว่าพระเจ้านิพพานแล้วก็ยังอยู่อนะไรอยู่แบบมีธาตุมีขันด้วยมีร่างกายดนะ้วยออกมาเทศได้ด้วยอะไรเงี้ยแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เห็นในสมาธิกับความเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือบางคนก็นึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมุ่งไปสู่ความไม่ยึดถืออะไรเลยเพราะว่าแก่นธรรมคำสอนของผู้เจ้าบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันก็มุ่งไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สนใจวิธีการไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จเอาปลายทาง ไปวัดภาพพระหันไม่ยึดอะไรสัอย่างงั้นทำอะไรบ้าๆเปล่าๆก็ได้เพราะไม่ยึดถือไปเอาพระพุทธรูปมาเหยียบก็ได้ไม่ยึดถืออะไรเงี้ยนั่นมันเป็นวิจฉาทิฏฐินานาชนิดที่แทรกเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราหรือพอมาคิดถึงการปฏิบัติก็คิดเอาเองอีกมีมากมายเหลือเกินที่คิดเอาเอง เช่นที่คิดทั่วๆไปเลยก็คือต้องทำฌานให้ได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคิดเอาเองเชื่อเอาเองต้องทำฌานให้ได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้เพราะพระพุทธเจ้าไปหัด เ, เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไปหัดเข้าฌานถึงฌานที่แปดแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางนะฮะไม่ใช่เป็นทาง สมาธิที่ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิอีกแบบหนึง่งหรือเบื้องเบื้องต้นเชื่อกันเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายต้องดูจิตขัดกับคําสอนของพระเจ้าท่านสอนสติปัฏฐานสี่บอกเหมือนประตูเมืองสีทิศดูกายเขาถึงพระลราหันได้เป็นพระโสดาได้เป็นพระลราหันได้ดูเวทนาดูจิตดูธรรม ก็เป็นพระโสดาได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่เบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตแต่ถ้าดูกายเป็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตถ้าดูจิตเป็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเพียง mm hmm. แต่ว่ามีอะไรเป็นฐานไว้ก่อนเท่านั้นเองถึงเรียกว่าฐานเป็นสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติแ mm hmm. ไม่ใช่คุกขังจิต เป็นฐานแบบเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่งั้นไม่ใช่จิตไปอยู่ที่กายอย่างเดียวจิตไปอยู่กับจิตอย่างเดียวจิตไปอยู่กับเวทนาอย่างเดียวในสิ่งแปลปลอมพวกนี้มีมากมายนะมีอะไรต่ออะไรนะเยอะมากเลยที่มันปลอมปนเข้ามาถนะ้วเราเป็นึกคิดเอาเองไม่มีทางทำได้มันไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะค้นพบทางได้ด้วยตัวเอง เป็นต้องเรียนเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินคือหลักของไตรสิกขาหลักของการศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาต้อเรียนให้ครบศึกษาเรื่องศีลทํำยังไงจะมีศีลศีลทําไปเพื่ออะไรศีลไม่ได้ทําไปเพื่อจะนับว่ามีศีล8มากวา 5, มมากว่าศีลหมีศีล10สิบเหนือกว่าศีล8 มีศีลรบดีกว่าทุกคนเลยวิเศษวิโสไอ้นั่นศีลกิเลสแล้วมีเรื่องของกิเลสแล้วศีลไม่ได้เอาไว้วดกันแต่ศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มข่มจิตเป็นเครื่องข่มจิตใจไม่ให้ทำชั่วตามแรงผลักดันของกิเลสงั้นเรามาฝึก ศีลที่จำเป็นที่สุดจริงๆก็แค่ศีลห้าเท่านั้นแหละเป็นพระก็ต้องมีศีลห้าถ้าถือศีลสองรยิบเจนะตัดออกไปห้าข้อไม่มีทางบรรลุมากผลเลยศีลในองค์มากจริงๆก็ข้อหนึ่งข้อสองข้อสาข้อสเท่านั้นข้อห้าเป็นตัวช่วยสัมมาสติถ้าไม่มีสติดีกินเหล้าเมายาสติไม่ดีต่ตัวศีลจริงๆศนะีลข้อหนึ่ง ข้อสองข้อสามคือสัมมากรรมตตะสัมมาวาจากศี่ข้อสีสี่ข้อนี้แหละสําคัญที่สุดเลยเบื้องต้ น, ต, ต, น, น, น, น, น, ต, นต้องตั้งใจไว้ก่อนกิเลสรุนแรงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้กิเลสคลำงาพาไปทำผิดศีลงั้นศีลเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งใจไว้ก่อนเรียกเจตนา ง, งดเม้นงั้นศีลนี่เริ่มด้วตัวเจตนา ง, งดเม้นต้องเจตนา ง, งดเม้นไว้ก่อน มันเคยชินที่จะพูดเทจเคยชินที่จะพูดเพอเจอร์ต้องเจตนางดเม้นไว้ก่อนตื่นนอนขึ้นมาก็เตือนตัวเองว่าวันนี้จะไม่พูดเทจวันนี้ไม่พูดเพอเจอร์อะไรเงี้ยไม่ทำผิดศีลห้ากลางวันก็คอยนึกวันนี้จะไม่ทำผิดศีลห้าเย็นๆค่ำๆก็นึกตลอดคืนนี้จะไม่ทำผิดศีลห้าเจตนาไว้ก่อนจนจิตมันเคยชินที่จะมีศีลต่อไปการรักษาศีลจะค่อยง่ายขึ้น เป็นความเคยชินที่จะไม่ทำผิดศีลแล้ถ้าเรามาเจริญสตินะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจอยู่เรื่อยๆมีสตินี่เป็นเรื่องของการฝึกจิตละถ้้กิเลสเกิดขึ้นกับจิตเรารู้ทันกิเลสเกิดกับจิตเรารู้ทันเรื่อยๆกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจะเกิดศีนี้ชนิดนึง มันเป็นศีลที่สูงขึ้นไปอีกเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เมื่อให้มันกระทบกระทบแล้วอคุศลใดๆเกิดมีสติรู้ทันเกิดที่จิตไม่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายอคุศนเกิดที่จิตอย่างเดียวมีสติรู้ทันจิตอยู่อคุศนเกิดแล้วรู้ทันอคุสนจะดับไปอคุศนครอบงําจิตไม่ได้ที่เกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมา เป็นศีลที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์เมื่นะตอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วคอยมีสติไว้เนะนี่ยศีลมันค่อยประณีตขึ้นศีลไม่ใช่มีแค่ศีลห้าศีลแปดแล้วต่อไปนี้ศีลเป็นศีลหนึ่งเท่านั้นเองก็คือจิตเป็นปกติจากกิเลสนะกิเลสมาทำให้จิตผิดปกติไม่ได้เนะนี่ยศีลมันก็พัฒนาขึ้นไป สุดท้ายได้ธรรมาแล้วมีศีลชนิดหนึ่งชื่ออริยกันตศีลอริยกันตศีลศีลที่พระอริยะชมเชยศีลสบายนะไม่ใช่ศีลลาบากศีลอย่างพวกเราเป็นศีลลาบากห้ามโน่นห้ามนี่ศีลที่พระอริยะชมเชยเป็นศีลที่มีความสุขมีศีลแล้วสบายมีศีลแล้วปลอดโปร่งมีศีลแล้วเกือกูลคุณงงามความดีให้ยิ่งๆ่งขึ้นไป เป็นเรื่องศีลก็ประณีตนะไม่ใช่อยาเจอพระก็ขอศีลไว้ก่อนพอก่อนจะเทศก็ขอศีลนะระหว่างพระเทศก็คุยแข่งกับพระศีลขาดหมดละเรพราเจ้าเพราเจ้า<ม>เวลาหลวงพ่อไปเทศนั้นไม่ค่อยได้ให้ศีลแต่ว่าถือว่าทุกคนต้องมีศีลเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วถ้ายังไม่มีศีลเล ย, ยามาฟังเทศทําไม คนไทยขอศีลมักง่ายนึกจะขอก็ขอขอเสร็จแล้วก็เลิกฝรั่งนะหลวงพ่ออ่านหนังสือเจอพระทัาเขียนไว้ฝรั่งไม่เหมือนคนไทยฝรั่งขอศี น, นี่คือขอเปลี่ยนาศาสนาเลยเรื่องใหญ่มากเลยแล้วข อ, ขอแล้วเขารักษาจริงๆการรักษาศี น, นี่ทำให้จิตใจสงบมีความสงบสุขขึ้นมาภายใน ถ้จิตใจมีความสงบสุขภายในมันเรื้อกูนต่อการทําสมาธิจิตใจจะมีกําลังขึ้นมาดัะนั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ทําตามใจกิเลส ต, ต่อมาจิตใจค่อยมีความสุขเพราะมีศีลนะจิตใจมีความสุขจิตใจจะเกิดสมาธิขึ้นมาพอจิตใจมีสมาธินัสมาธินี่เป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอํานาจมาย้อมจิตเป็นขม่มข่มกิเลสได้ ข่มกิเลสศีนเนี่ยข่มจิตไม่ให้ตามกิเลสสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้คุกคามจิตเพราะฉะนั้นศีนนี่ยข่มจิตไว้ก่อนข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสเนี่เป็นการข่มไว้ก่อน ท, ทั้งศีนทั้งสมาธิสมาธิเนี่ยมีจิตมันมีแรงแล้วมันก็ข่มกิเลสไม่ให้กําเริบขึ้นมาจิตใจสงบจิตใจสบายจิตใจปลอดโปร่งจิตใจไม่มีกิเลสจิตใจไม่มีอคติ ถ้าจิตใจมีโทสะจิตใจก็มีอคติเพราะโทสะจิตใจมีโลภะจิตใจก็มีอคติเพราะโลภะจิตใจมีโมหะหลงอยู่ไม่รู้ผิดชอบโชวดีก็มีอคติเพราะโมหะสมาธิทำให้ใจไม่มีอคติเมื่อใจไม่มีอคติใจก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจได้มันไม่มีอคติ ถ้าสมาธิไม่พอมันจะมีอคติเนะช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นก็หลงยินดีเห็นความทุกข์เกิดขึ้นก็หลงยินร้ายภาวนานะั้นจะมุ่งเอาความสุขภาวนามุ่งจะให้หมดความทุกข์เห็นกุศลเกิดก็ยินดีเห็นอกุศลเกิดก็ยินร้ายภาวนามุ่งจะเอากุศลจะเกลียดอกุศลนี่ภาวนาแบบมีอคติไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานนั้นจะเรียนรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงแบบไม่มีอคติเขาเป็นยังไง ร, รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็จะได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถ้ามีอคติอยู่นะั้นไม่เห็นใจรักหรอกจะเข้าไปแทรกแซงตลอดอันนี้ชอบอันนี้เกลียดนะียอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยเรื่องความโง่ละความหลงละอันนี้ ความทุกมาไม่ชอบความสุขมาชอบความดีมาชอบความไม่ดีมาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยตรงหลงไปตามชอบไม่ชอบไอ้นั่นดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดนี่ก็หลงมีเป็นความไม่รู้จริงนวะิปัสสนากรรมฐานนั้นเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจอย่างที่เขาเป็นจริงจริงไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นเวลาเราคิดถึงการปฏิบัต เราจะชอบคิดว่าทำยังไงจะถูกคิดไหมทำยังไงจะถูกทำทำไปงนี้นึกว่าดีนะทำไปพัคนึงไม่ถูกอีกละไม่ถูกอีกลองใหม่หาวิธีใหม่ลองไปลองไปนึกว่าดีทำไปหลายวันก็ไม่ถูกอีกละพวกเราลองมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะถ้าทามาต่อเนื่องนะจะรู้เลยว่าตรงที่หลวงพ่อบอกถูกแล้วดีแล้วนะไปทาต่อนะพอไปทาต่อมาตรงนี้ไม่ถูกแล้วนะ มันถูกชั่วคราวเท่านั้นเป็นทางผ่านเหมือนจะขึ้นบันไดเจ็ดขั้นขึ้นขั้นที่หนึ่งถูกไหมขึ่งขั้นที่หนึ่งก็ถูกแล้วใช่ไหมแต่ทุกวันก็อยู่ที่ขั้นที่หนึ่งขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนไม่ได้ะก็ไม่ถูกละวต้องขึ้นไปขั้นที่สองให้ได้ขึ้นไปขั้นที่สองแล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วถูกไหมที่ขึ้นขั้นที่สองก็ถูกแต่หยุดอยู่ที่ขั้นที่สองไม่ถูกแล้ว กูบานี่ตอนเป็นโยมมาหัดภาวนาหองพระสอนนะก็เห็นความไหวๆของจิตขึ้นกลางอกเนี่ยหลวงพ่อบอกดีแล้วดูไปให้ชํานาญเลยให้รู้ทันก็ดูอยู่เป็นปีๆนะมาส่งกันบ้านเนี่ยผมเห็นไหวๆอยู่ผมดูอยู่หลวงพ่อก็บอกไปดูมันทำไมบอกอ้าวก็หลวงอาให้ผมดูเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชเรียกหลวงอา หรวงอาให้ผมดูไหวๆ ไ, วไอ้นั่นมันเมื่อก่อนจะดูเป็นทั้งชาติไม่ได้นะให้รู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปในไหวๆแต่เดิมเห็นไหวๆไขึ้นมาก็ถูกแล้วนะมันไหวขึ้นกลางอ ก, อกไหวยิบยับยบ ย, บ ย, บยบถูกแล้วถ้าดูอยู่เป็นปีๆแล้วก็ดูไปจ้องอยู่ที่มันนะจ้องไม่หนีไปไหนเลยเห็นจ้องอยู่นั้นถลําลงไปดูนี่ไม่ถูกแล้วะก็ปรับวิธีดูนะจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดู ก็เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปงั้นบางทีเรียนกับหลวงพ่อบางคนจะงงนิดหนึ่งทีแรกบอกให้ทำอย่างนี้นะมาส่งกันบ้านบอกให้ทำอย่างนี้เะเหมือนกับขัดกับของเก่าอย่างบางคนเคยมีง ง, งมาเรียนมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไปดูกายให้มากเลยอย่าไปดูจิตนะดูจิตไม่ได้หรอก เพราะจิตเนี่ยฟุ้งซ่านมากเลยมาดูกายไว้ก่อนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอ น, น, อนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเขาไปฝึกอยู่หลายเดือนไปฝึกอยู่หลายเดือนแล้วมาส่งกันบ้านใหม่หลวงพ่อบอกให้ดูจิตเขาบอกเอ๊ะทำไมสอนกลับกรอกทีแรกให้ดูกายตอนนี้ให้ดูจิตก็ดูกายพอแล้วมันมีแรงมันเห็นจิตได้แล้วมันก็เข้ามาดูจิตสิไม่ใช่กี่ปีก็ภาวนาแบบเดิมนะ มันมีขั้นมีตอนมีการพัฒนาของมันเหมือนกันแล้วต้องเข้าใจนะไม่ใช่เอ๊ะทำไมหลวงพ่อสอนกลับไปกลับมาดูจิตอยู่ดีๆบางวันหนึ่งก็บอกให้กลับไปดูกายใหม่เพราะไม่มีแรงอย่าดูจิตแล้วหรือบอกให้กลับไปทำสมถะใหม่ถ้าเราสังเกตตัวเองเป็นนะเราไม่ต้องมานั่งถามหลวงพ่อเลยเราสังเกตได้เลยช่วงนี้ฟุ้งซ่านมากาดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทสมถะก็แค่นั้นเอง ช่วงนี้สงบพอสมควรแล้วดูจิตดูใจได้แล้วก็ดูจิตไปช่วงนี้ดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วอารมณ์ผ่านมาเร็วมากเลยถ้าจิตมีสมาธิอยู่อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยจะมาเนิบเนบแต่ถ้าพอจิตเริ่มฟุ้งนะอารมณ์จะมาเร็วมากเลยฟุ๊บปฟุ๊บ ป, บปบนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอุตรุดเลยดูไม่ทันละดูไม่ทันดูจิตไม่ทันนะมาดูกายไว ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายไม่พลิกแปลงเหมือนจิตร่างกายไม่มีอะไรพลิกแปลงมีแค่หายใจออกหายใจเข้ามีแค่เคลื่อนไหวมีแค่หยุดนิ่งมีแค่พองมีแค่ยุบมีแค่ยืนเดินนั่งนอนมีอยู่นิดเดียวร่างกายดูมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ดูไม่มากแต่ก็ยังเห็นไตรลักษณ์ได้เช่นร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวก็เห็นไตรลักษณ์ได้นะดูจิตทีแรก อารมณ์ไหลเนิบๆล้วก็เห็นใจรักษได้แล้วพอมันฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วไม่เห็นใจรักแล้วมั่วแล้ะมาดูกายกายจะสอนใจรักษไว้ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะละะถ <นะ S 1> ้าหมดจากนี้ก็คือไม่ได้ปฏิบัติละเนะื้ถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วก็รู้ว่าควรทําอะไรเมื่อไรเราควรจะทําอะไรทำเมื่อไรทําอย่างไรอะไนี้กรู้ ทำอย่างไรเช่นถ้าเราจะดูกายเราควรจะดูอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดูกายหายใจบางคนดูกายผองยุบบางคนดูกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอนหยุดนิ่งอย่างนี้ก็ได้บางคนดูดูกายยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ก็ได้หรือดูจิตดูใจดูจิตดูใจก็ดูไม่เหมือนกัน บางคนดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตบางคนไม่ดูเวทนาดูไม่ทันก็มาดูสังขารอาศัยเวทนาก็ปลุงสังขารขึ้นมาเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็เกิดความยินดีพอใจมีราคะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีความไม่พอใจมีโทสะเกิดขึ้นดูเวทนาไม่ทันก็มาดูสังขารดูราคะดูโทสะดูโมหะฟุ้งซ่านหดหู่อะไรพวกนี้ หรือถ้าสติปัญญาว่องไวจริงไม่ไปเพ่งจิตให้นิ่งก็จะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกนั่นบางทีเราก็เห็นจิตไหลไปทางตาทีเห็นจิตไหลไปทางหูทีเห็นจิตไหล ไ, ไ, ไปคิดบางทีเห็นจิตไหลไปเพ่งเนี่ยดูจิตดูจิตดูได้ตั้งหลายหมวดเนะี่ยดูได้ตั้งเยอะแยะดูกายก็มีให้ดูเยอะแยะเราก็ดูว่าอะไรเหมาะกับเราดูาอะไรแล้วดี ถ้าสติปัญญาเราเร็วเห็นตั้งแต่เวทนาได้ก็ดีเห็นเวทนาไม่ทันก็มาดูสังขารถ้าละเอียดประณีตขึ้นไปก็จะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกก็จะเห็นจิตนี่แหละไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่มีสิ่งที่เป็นอตมตะมีแต่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแล้วคนเดียวนะแต่ละวันแต่เวลาดูไม่เหมือนกันี แต่ว่ามันจะต้องมีวิหารธรรมมีฐานอันเดียวอย่ามีบ้านหลายบ้านแต่บางช่วงสมมติว่าเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมดูจิตเรื่อยๆแต่ดูไม่ไหวมันก็รู้จักเปลี่ยนมาดูกายบ้างรู้จักมาทําความสงบบ้างหรือดูกายอย่างเดียวนะไม่ให้ไปจ้องอยู่ที่กายเห็นร่างกายพองร่างกายยกบจิตไหลไปอยู่ในกายไม่รู้ทันว่าจิตไหลก็ใช้ไม่ได้น เราก็ต้องรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นและวงั้นการภาวนานะี่ยมันถึงแม้จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านมีบ้านให้จิตยอยู่ก็จริงแต่จิตออกนอกบ้านได้บ้านไม่ใช่คุกบ้านนั้มีธุระออกออกไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุกห้ามออกนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะเปลี่ยนวิหารธรรมให้กายเป็นคุกขังจิตแทบทั้งนั้นเลยเกือบร้อยละร้อยเลย ไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่แบบนั้นแหละไม่ใช่วิหารธรรมแต่เป็นคุกยังอยู่กับพุทโธก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากพุทโธอยู่กับลมหายใจก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบก็บังคับจิตต้องอยู่ที่ท้องห้ามหนีไปจากท้องมีแต่บังคับจิตไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นคุก แต่ถ้าเราอย่างเราพุโทโธพุโทโธเนี่ยมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันแส่สายออกไปจิตมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศ ล, ศลรู้ทันมันไม่จะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นใ่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะเห็นใจรักของจิตหรือรู้ลมหายใจอยู่นะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เดินปัญญาด้วยการดูกายละถ้าจิตแส่สายนี้ออกไปรู้ทันว่าจิตแส่สายออกไป จตะตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมานะหรือเดี๋ยวก็สายเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็สายเดี๋ยวก็วกตั้งเริ่มสังเกตเห็นจิตจะสายไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะสายไปจิตจะตั้งมั่นบังคับไม่ได้จิตไม่ใช่เรานี่เริ่มเดินปัญญาอีกล้รนาะฉะนั้นเวลาพวาวนาน้ำจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาอนะย่างนี้ใช้ได้แตอถ้าไปจ่ออยู่ในรมเดียวเป็นสมถะไม่เดินปัญญาเป็นคุกขังจิต จิตต้องอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นห้ามไปอยู่ที่อื่นอย่างนั้นไม่ใช่นั้นเป็นสมถะดีไหมดีเหมือนกันถ้าทํำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าทํำวิปัสสนาดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะเพราะฉะนั้นสมถะดีไหมดีเหมือนบันไดขั้นแรกๆ แ, แต่ทําอยู่แค่สมถะไม่ขึ้นเจริญปัญญาที่ไม่ได้เรื่องเลยทําไม่ถูกละ ไม่มีสมรรถาะเลยก็คือไม่มีบันไดขั้นแรกๆเลยก็ไปยากจะขึ้นบันไดขั้นที่สามเลยทําได้ไหมได้ถ้าขั้นมันไม่ใหญ่มากแต่ขึ้นสบายไหมเสี่ยงไหมนะขึ้นไม่สบายเสี่ยงถ้าเดินไปตามลําดับบันไดที่ผู้เจ้าวางไว้นะไม่ไม่ยากมันจะไม่ยากเกินไปบันไดของท่านนะถ้าซอยออกไป หยาบหยาบไมีสามขั้นแต่ละขั้นยาวหน่อยขั้นศีลขั้นสมาธิเท่าๆกันนะแต่ขั้นหลังๆเนี่ยต้องขยิ่งอย่างแรงเลยภาษาริบุตรท่านมาแยกเป็นบันไดเจขั้นเป็นวิสุท ธ, ธิเจดอย่างศีลวิสุท ธ, ธิคือเรื่องศีลจิตวิสุท ธ, ธิคือเรื่องฝึกจิตให้มีสมาธิถัดจากนั้นอีก5้าขั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาท่านซอยการเจริญปัญญาออกไป ช่วยให้เราพอนา ง, ง่ายขึ้นนะเริ่มแต่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นตัวปัญญาจเจริญปัญญาตัวแรกเลยนะทิฏฐิวิสุทธิคือเรียนรู้มีทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าตัวเราไม่มีเป็นความเห็นนะยังไม่ใช่การรู้จริงตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามนะถ้าแยกรูปแยกนามได้เรียกว่ามีทิฏฐิวิสุทธิ งั้นพวกเราที่แยกรูปแยกนามได้เนี่นะบันไดเจ็ดขั้นเนี่ยเรามาอยู่ในขั้นที่สามแล้ที่แยกรูปนามได้นะึกว่าทิฏฐิวิสุทธิต่อมาเรารู้อีกว่ารูปประธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุมันถึงจะเกิดไม่ใช่ลอยๆมาเกิดหรอกแล้วเกิดแล้วพอหมดเหตุมันก็หายไปไม่สงสัย ในรูปธระทานามทาทำทั้งหลายเลยรู้ว่ามันมาจากเหตุถ้าหมดเหตุมันก็หายไปรู้อย่างนี้นะรู้ได้การศึกษาเปรียบเทียบเอาว่ารูปแต่ก่อนกับรูปเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันนามแต่ก่อนกับ น, นามเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันเหตุมันต่างกันอันนี้ขึ้นกรใดาษมาอีกกันนะชื่อกังขาวิวตรณะวิสุทธิหมดความสงสัยในการเกิดของรูปนามนะมันเป็นใจรักแต่มันยังเห็นใจรักด้วยการคิด ถัดจากนั้นมันจะถึงมัคคามัคคายาณทัศนวิสุทธิรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางตรงที่รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยขึ้นวิปัสนาไปแล้วนะแล้วผ่านวิปัสณูปกิเลสไปแล้วะเนี่ยตรงนี้ถ้าแยกด้วยยานสิบหนะพระรุ่นหลังมาแยกด้วยยานสิบลกนแยกตรงนี้ละเอียดออกไปอีกเป็นยานอีกเยอะเลยภาษาริบุตรมาแยกขึ้นมาทิฏฐิวิสุทธ์กังขาวิตราณาวิสุทธ์นะ มัคคามัคะมัคหรืออมามัคมัคคามัคะยานทัศนวิสุทธ์อะไรเป็นมัคอะไรไม่ใช่มัคสิ่งที่เป็นมัคคือการที่มีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางวิปัสสนูไปกิเลส จ, จะแทรกนะงั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดวิปัสสนูแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นเ ม, นะมื่อไหร่นะวิปัสสนูหายเลยวิปัสสนูเลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรมมุททัต จ, จะ ธรรมะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมะสิบประการพวกเราจํานวนมากเลยที่มาถึงตรงนี้ที่เราภาวนาดูจิตดูใจแล้วมันสว่างว่างไปอยู่ข้างหน้าให้เคยเป็นที่มันไปว่างสว่างอยู่ข้างหน้านะแล้วหลวงพ่อบอกรู้ไหมจิตเคลื่อนออกไปอยู่กับแสงสว่างไปอยู่กับความว่างไปอยู่กับความสุขความสบายข้างหน้าตรงที่พวกเรารู้ทันตัวนี้นะ ตัวนี้เราได้มกัมกคามักคายานทัศนะ์วิสุทธิรู้แล้วถ้าถ้าไหลออกนอกอย่างนี้ไม่ใช่ทางถ้าตั้งมั่นอยู่รู้รูปนามอยู่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่นี้เป็นทางถัดจากนั้นก็เป็นปฏิปทาญาณทัศนะ์วิสุทธิปฏิปัทาญาณทัศนะ์วิสุทธิคือการทำวิปัสนานนะั่นเองที่พ้นวิปัสนานมาแล้วก็มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่น้เป็นกลางนะนี่รู้ไปด้วย ในโสรถยนต์เขาจสอยไปทียิบเลยพอเห็นความจริงแรกๆ ก, ก็จะเกิดความรู้สึกมันน่ากลัวเกิดน่ากลัวเกิดรู้สึกว่าไร้สาระเกิดความรู้สึกเบือ่อพวกเราหลายคนที่ภาวนานแล้วรู้สึกไหมท่าดขันชีวิตนี้น่ากลัวนะท่าดขันชีวิตนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้ท่าดขันชีวิตนี้น่าเบือ่อนี่เรากระเถิบขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะไม่ใช่กระไดขั้นแรกๆ แ, แล้วนะ เนี่ยฝึกมาเรื่อยนะสุดท้ายก็เกิดยานทัศนวิสุทธนะิเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเนะนี่ยเดินทางเดินถ้าย่อๆนะั่นก็เป็นศีลสมาธิปัญญานะถ้าขยายปัญญาออกไป5ส่วนศีล ส, สมาธิแล้วอีกปัญญาเป็น5เป็น7ก็เป็นวิสุทธิธรรมะชื่อวิสุทธิเจ็ดประการเนะนี่ยพระศาริบุตรท่านขยายขึ้นมา พระรุ่นหลังมาขยายเอาไปอิงเป็นญาณ16โสรถญานแตโสรถญานนี้เป็นส่วนของการเจริญปัญญาดังนั้นศีลสมาธิต้องมีก่อนบางคนไปเรียนโสรถญานแล้วเมาเลยลืมเรื่องศีลกับการฝึกจิตลืมศีลสิทขาจิตสิกธิขาลืมศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิคิดว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรหาทางแยกรูปนามอะไรต่ออะไรคิดเอาเองเลยจิตไม่ตั้งมั่นมันไม่แยกหรอก งั้นศีลวิสุทธินะก็คือการศึกษาเรื่องศีลศีลสิกขาจิตวิสุทธิก็คือจิตตสิกขานะอีกห้าตัวของวิสุทธิก็คือปัญญาสิกขาห้าตัวนี้มาขยายออกไปนะเป็นสิบตัวเรียกโสรถยานนะขยายออกไปเรียนไม่ยากหรอกนะมันไม่ยากหรอกหัดภาวนาหัดดูของจริงเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันเข้าใจเองนี่มี คนมาบอกเหมือนกันว่าหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยเทศยากไปอยู่ข้างนอกเทศง่ายนี่ข้างนอกเทศฟังง่ายไปข้างนอกเนี่ยคนใหม่ๆเยอะต้องสอนวิธีขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งบันไดขั้นที่สอ ง, สงเกศไม่ออกไปข้างนอกหลวงพ่อจะเน้นเรื่องสมาธิมีสองแบบนะนเนียนเ น, ย น, เนยฝึกให้เขาได้ตัวนี้ก่อน ทำไมต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ก่อนเพราะส่วนใหญ่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อ ย, อยมันทําสมาธิแบบเพ่งทั้งนั้นเลยแล้วมีหน้าบอกนะว่าต้องทําสมาธิไม่ทําสมาธิเดินปัญญาไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าสมาธิมี2แบบสมาธิแบบหนึ่งเอาไว้พักผ่อนทําให้มากเท่าไหร่มันก็ไม่เดินปัญญานะหรือไปแก้ด้วยการไปคิดพิจารณกายช่วยนะมันก็ไม่ใช่วิปัสสนามยังคิดอยู่นะแต่ว่าเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยก็เป็นเรื่องดี ในสมาธิชนิดที่สำคัญมากจิตตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ปัสนาไม่ได้สมาธิไม่พอพอไหวไหมพวกเราอยู่ในระดับไหนใครอยู่ในระดับศีลวิสุทธิมากมีไหมไอ้พวกที่มีปัญญาแล้วไม่มีศีลหรอ <laughs> มันต้องมีนะมันไม่ใช่ทิ้งเลยนะฉันทิ้งแล้วศีลฉันไม่ต้องถือแล้วฉันมีปัญญาแล้วหรือฉันมีสมาธิแล้วศีลไม่ต้องเอานะใครแยกสมาธิสองชนิดได้ชํานาญละรู้ว่าสมาธิชนิดหนึ่งเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอันหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูใครทําได้ยกมือสิยกมือไม่ต้องเกรงใจยกเยอะๆเลยไม่ยกยื้ยักยกมไม่เห็นอะธรรมะต้องกล้าหันนะ ศึกษาธรรมะต้ององ อ, า, งอาจกล้าหาญไม่กลัวใครหรอกอย่างการได้ยินได้ฟังธร ร, รมะมากก็ทําให้กล้าหาญการมีศีลดีก็ทําให้กล้าหาญการที่ฝึกจิตสงบตั้งมั่นก็ทําให้กล้าหาญการมีปัญญาก็ทําให้กล้าหาญไม่กลัวใครงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้กล้าหาญไม่ธรรมะขี่ขาดซุกซ <c oughs> ุซ่อนๆไม่ได้เรื่องหรอกกล้ากล้าหน่อย <c oughs> ไม่ดีบอก <c oughs> ไม่ดี <c oughs> ต้องกล้านะ ทำผิดแนละ้วบอกเลยว่าไปทำอะไรผิดมานี่แหละเรียกว่าควนกล้าพระพุทธเจ้ายกย่องนะอย่างบางคนมาขอโหสิขอไม่ได้โหสิกรรมกรรมขอกันไม่ได้มาขอขมาได้ขอขมาถามว่ากรรมหมดไหมไม่หมดแต่เป็นความดีที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่ได้ขัดเกลาตัวเองอย่างร้ายแรงเลยนะอย่างเข้มแข็งเลยนะเราไปทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นมาแล้วกล้าสารภาพกับเขาอ่ะนี่เป็นความกล้าหาญมากเลย เป็นการฉัดเกลารตัวเองท่านยกย่องตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าไปด่าหลวงพ่อแล้วมาขอข้ามาแล้วหมดกรรมไม่ใช่นะถ้าโหได้นะเทวทัศนไม่ลงอเวจีหรอกแต่ว่าการที่กล้าขานประกาศออกมาอันนี้เป็นความความดีเป็นความดีในอริยวินัยนี่ค่อยฝึกนะพวกเราไม่ยากหรอกสำรวจตัวเองไปเราได้พัฒนาขึ้นไหมศีลเราดีขึ้นไหม จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมเราแยกรูปแยกนามได้ไหมเราเห็นไหมว่ารูปนามเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากหรือว่าใจเราส่งออกไปดูรูปนามแล้วใจเราเคลื่อนออกไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกอนะย่างนั้น ก, ก็ติดวิปัสสนูล๋ละถ้ารู้ทานว่าจิตเคลื่อนออก้จิตจะเข้าบ้านวิปัสสนูหายเนะมื่อก่อนเรียนจากหลวงปู่เทศนะ ท่านก็เคยสอนเรื่องวิปัสสนูท่านบอกว่าถ้าทําสมาธิพอไม่เป็นวิปัสนูตอนนั้นหลวงพ่อฟังไม่เข้าใจท่านเลยเพราะมิปัสนูมันเป็นเรื่องเดินวิปัสนานะเกี่ยวอะไรกับการทําสมาธิตานหลังค่อยสังเกตไปดูไปคนทํำจิตวิปัสนูนค่อยสังเกตบอกจิตมันไม่มีสมาธิจริงๆถ้าจิตมีสมาธิตั้งมั่นนะวิปัสนูหายแล้วแม่ชีเนี่ยไปเจอพระสูตรหนึ่งชื่อยุครนัทสูตรพระอโนนสอน ท่านสอนเรื่องธรรมมุททจะนี่อเนี่ยวิปัสสนู10ิบอย่างท่านบอกถ้ามีสมาธิขึ้นมาหายครูบาอาจารย์สอนมาตรงกับปริยัติเลยนะแล้วค่อยๆสังเกตนะค่อยพัฒนาไปแยกรูปนามได้และเห็นรูปนามเกิดดับล้ตอนที่รู้รูปนามจิตถลำไปรู้ก็เกิดวิปัสสนูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ก็ไม่เป็นวิปัสสนูดูไปแล้วเริ่มเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีใจชัก ทอแท้เสียอกเสียใจใจเกิดเบื่อหน่ายให้รู้ทันเข้าไปอีกถ้รู้ทันก็ผ่านขึ้นไปอีกนะเดินปัญญาขึ้นบอีกจิตเป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยเป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยเป็นกลางในที่สุดเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนะทีแรกเป็นกลางเพราะสมาธิใจเมันตั้งมั่นเป็นกลางเพราะสติไปรู้ทันความไม่เป็นกลางต่อมาเป็นกลางด้วยปัญญานะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเมื่อไหร่เราเดินปัญญามาจนจิตเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยนั่นแหะคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรค ถัดจากนั้นนิดเดียวเรียามากก็เกิดแล้วดังเราต้องมีความเป็นกลางด้วยปัญญานะค่อยภาวนาค่อยดูของจริงในกายในใจเนี่ยถึงเมื่อไร่ก็เป็นกลางด้วยปัญญาพอนะศีลสมาธิพอสติพออะไรเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยสติะระลึกรู้ที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาเข้าใจความเป็นจริงภายในจิตนั่นเอง ศีลสมาธิปัญญารวมลงในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันอริยมรรคก็เกิดขึ้นของเราตอนนี้อริยมรรคไม่เกิดนะเพราะศีลอยู่ที่หนึ่งสมาธิอยู่ทิ่งปัญญาอยู่ที่งบางคนอยู่คนละวันวันนี้ถือศีลวันนี้ทําสมาธิวันนี้เจริญปัญญานึกออกไหมออมันอยู่ในคนละที่นะจะค่อยฝึกทุกตัวเนี่ยฝึกทีแรกมันก็เหมือนกันแยกกันฝึกนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันประชุมลงที่เดียวกัน ไม่มีใครสั่งให้มันมาประชุมลงที่เดียวกันได้อย่าว่าแต่จะสั่งให้ประชุมที่เดียวกันสั่งให้สติเกิดยังไม่เกิดเลยสั่งให้จิตเป็นสมาธิยังไม่เป็นเลยนะแล้วฝึกจนมันอัตโนมัตินะั้นมันรวมลงที่เดียวกันโดยไม่ได้เจตนานะอาริยมรรคมันถึงจะเกิดได้ค่อยฝึกเอานะเชิญไปทานข้าวนี้หมดเลยครับ